หท่านควรจะทราบไว้ด้วยว่าความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการของสมองและของจิตใจจะต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆกันและการวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้มันมีกฎเกณฑ์ของมันแน่นอนเหมือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปกล่าวคือมันจะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปตามพื้นฐานของมันและจะต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่าไปหวังเป็นอันขาดว่าในเมื่อเห็นคนอื่นเขาฝึกสมาธิได้ดีฝึกความจำได้ดีโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เราก็คงจะสามารถฝึกได้ดีเท่ากับเขาโดยใช้เวลาเท่าๆกันถ้าคนไหนจะทำได้ก็หมายความถึงว่าคนนั้นมีพื้นฐานในทางสมองหรือในทางจิตใจมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อฝึกให้ถูกวิธี เขาก็ยอมจะได้ผลเหมือนกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานในทางสมองและในทางจิตใจแตกต่างกันอย่างมากมายแล้วแม้จะใช้วิธีฝึกแบบเดียวกันทุกอย่างผลที่ได้รับก็จะห่างไกลกันมากเรื่องนี้ต้องสังวรเอาไว้ด้วยความเจริญในด้านจิตใจไม่เหมือนกับการเจริญในด้านวัตถุจะพยายามให้เป็นไปอย่างใจปรารถนาทุกอย่าง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้นึกถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ที่ต่างชนิดต่างพัน์กันแม้เราจะใช้ความพยายามในการปลูกเหมือนกันในเวลาเท่ากันแต่ผลมันจะเหมือนกันไม่ได้และจะให้เป็นไปอย่างใจปรารถนาทุกอย่างไม่ได้อย่าลืมว่ารากฐานในฐานจิตใจละเอียดประณีตและซับซ้อนมากและที่ยุ่งยากที่สุดก็คือ มันเป็นเรื่องนามธรรมไม่สามารถที่จะมองเห็นจับต้องได้เพราะฉะนั้นคนที่จะยังรู้ถึงรากฐานหรือสันดานของจิตใจได้นั้นนอกจากจะเป็นคนที่มีความคิดละเอียดประณีตและมีประสบการณ์มากมายแล้วจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีด้วยไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางยังทราบจิตใจคนอื่นได้ถูกต้องและเมื่อไม่ทราบรากฐานโดยละเอียด การที่จะสร้างจิตใจคนให้เจริญมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยและโดยเหตุนี้เองวิชาการที่สอนยากที่สุดน้อยคนนักที่จะทำได้ผลดีก็คือการสอนวิชาศิลธรรมหรือการสอนศาสนา